หารายได้เสริมวันละ300บาทซื้อไตรเซกเตอร์มาเป็นชุด4ขวด 5,850 บาทเฉลี่ยต้นทุนขวดละ 1,462 บาทขายปลีกขวดละ 1,800 บาทมีกำไรขวดละ337บาทถ้าในหนึ่งสั ป, ปดาห์ขายได้5ขวดคุณก็จะมีกำไรจากการขายปลีก 1,680 บาทต่อสัปดาห์ เท่ากับว่าคุณจะมีรายได้เสริมเดือนละ 6,740 บาทมันอาจจะช่วยเป็นค่าขนมของลูกไปโรงเรียนได้